หัวใจของการปฏิบัติธรรมที่บ้านคือการเข้าใจว่าจะดูอนิจจังใดในตนได้บ่อยๆเข้าใจอย่างไรก็จะเชื่อแบบนั้นปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบนั้นสติคือการรู้ตามจริงว่ากําลังมีอะไรให้รู้ไม่ใช่มีอะไรให้อยากได้ไม่ใช่แม้แต่จดจ่ออยากสงบ แค่กำลังมีความฟุ้งซ่านให้รู้แล้วรู้แค่สังเกตว่าความฟุ้งซ่านต่างไปในแต่ละลมหายใจเท่านี้ก็เรียกได้ว่ามีสติแล้วการปฏิบัติธรรมเจริญสติคือการทำให้สติเจริญขึ้นรู้ความจริงเกี่ยวกับกายใจที่กำลังปรากฏให้รู้อยู่เดียวนี้การปฏิบัติธรรมที่บ้าน คือการทำสติให้เจริญขึ้นที่บ้านไม่ใช่รอไปวัดแล้วค่อยพยายามเจริญสติหรือพอกลับบ้านแล้วขาดสติก็ช่างมันหัวใจในการปฏิบัติธรรมที่บ้านคือการทำการเข้าใจเฉพาะตัวว่ามีอะไรในกายใจของคุณที่แสดงความไม่เที่ยงให้ดูได้บ่อยๆเพเมาดูความไม่เที่ยงในตัวเองได้บ่อยๆสติแบบพุทธ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 หรือเมื่อโกรธจัดแทนที่จะฝ้าสายฟ้าออกมาจากปากจากมือไม้ก่อบาป ก, ก่อเวรมีเรื่องมีราวกับชาวบ้านแบบเคยเคยแค่หายใจอย่างเป็นสุขทีหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบดูว่าที่ลมหายใจนี้โกรธแรงแค่ไหนลมหายใจต่อไปเบาลงหรือแรงขึ้นอีกเพียงเท่านี้โทสะก็บัรดาลบาปเวรเดิมๆขึ้นไม่ได้แต่จะกลายเป็น มาเพื่อช่วยแสดงความไม่เที่ยงเพื่อให้คุณฝึกดูอนิจจังให้เป็นเพื่อเห็นว่าหัวใจของการปฏิบัติธรรมที่บ้านคืออะไรคุณจะเห็นผลตั้งแต่วันแรกๆรกและติดใจพอที่จะเจริญสติในวันต่อๆไปโดยไม่รอเวลาว่างให้พร้อมพอจะปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมนอกบ้านที่ไหนอีกและถ้าไปปฏิบัติธรรมที่วัดหรือในป่าในถ้ำ